เป็นเรื่องตรัสเล่าแก่พระอนุนในเวลาใกล้ปริณิพาน 5. ชนวสภสูตรว่าด้วยยักษ์ชื่อชนวสพกราบทูลเรื่องราวต่างๆแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่าแก่พระอนุนอีกต่อหนึ่ง 6. มหาโควินทสูตรว่าด้วยมหาโควินทพราหมณ์ 7. ดมหาสมยสูตร